ทรงประชุมสงบัญติจสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุทิ์ชาวพักีว่าภิกษุท์ทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ผ้าอับน้ําฝนไม่ได้ขนาดจริงหรือพวกพิสุทิ์ชาวพักีทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉ น, นพวกเธอจึงใช้ผ้าอับน้ําฝนไม่ได้ขนาดเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลาย